ไม่ทราบว่าปฏิบัติมานี่ถูกหรื อ, อยังถูกสิถูกแล้วะะถ้าเราเห็นกิเลสนะดีที่สุดเลยเห็นจิตใจที่ไหลไหลไปเรารู้ทันนะดีจะกราบเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งคือสามีที่เคยมาแล้วก็ตอนนี้ป่วยเป็น vascular dementia ค่ะมีกับเคมีสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นจะไปติดอยู่ที่จุดหนึ่งตลอดเวลาทำยังไงถึงจะดึงออกจากจุดนั้นได้คะ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 มันมันอย่างเนี้ยแข็งแข็งอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้นะรู้สึกไหมเราเราตื่นเต้นเราก็ไปข่มมันไว้นี่จะให้หายอย่าไปข่มมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่าไปขม่มถ้าข่มไปคุมไปนะใจก็นิ่งๆิ่งทื่อทอย่างนั้นใช้ไม่ได้ทํากรรมฐานเนี่ยใจจะตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นไปแล้วเราตามรู้ตามดูไปเนี่ยตอนนี้ข่มน้อยกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเออต้องอย่างนี้นะตรงนี้ถึงจะถูกนะจิตอย่างเม่กี้เนี่ยถูก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 เป็นจิตรู้ก็เป็นจิตคิดดูไปคู่เดียวกรรมฐานไม่ต้องทำเยอะทำแค่นี้ก็พอเหลือกินละเนี่ยเป็นจิตคิดอีกแล้วทราบไห ม, มเห็นไห ม, ไมไจิตจะรู้หรือจิตจะคิดเลือกไม่ได้มันเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วเราบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความจริงเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาทำงานได้เองมเขาเป็นจิตคิดแล้วรู้สึกไหม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 ต่อไปใจจะคลายความยึดถือในกายยึดถือในใจลงนะหมดความยึดถือกายเป็นพระนาคาหมดความยึดถือจิตเขาเรียกว่าพระราารอรหันต์แอบไปคิดอีกแล้วซ้ำไหมพอเข้าใจยัง เ, ออเข้าใจแล้วส่งต่อนำ้ำมัศการพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูจะมารับลูกสาวกลับเพราะเขามาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วค่ะ นี่วันนั้นมาหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆทีนี้วันหนึ่งพอตื่นช้าขึ้นมาเราก็ตั้งใจดูแต่ดูแล้วมันก็เลืมไปวันหนึ่งหลายครั้งเลยค่ะพอนึกขึ้นมาได้ก็ตั้งใจใหม่เีจะจะถูกไหมคะให้ลืมเยอะๆยิ่งดีลืมให้ได้ร้อยครั้งพันครั้งยิ่งดีนะ่ะลืมถ้าลืมมานละครั้งเนี่ยใช้ไม่ได้อ๋อลืมเป็นสิบๆครั้งลืมมาละครั้งคือลืมตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ตื oh. ่น ม, มาก็ลืมไปเลยนะจนถึงหลับนี่วัละครั้ง oh. ถ้าถอย่างของเด็กผู้หญิงตะเกียะ <Okay. S 2> ใจไหลแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกอย่างเนี้ยเหลอวันหนึ่งเป็นพันพันครั้งเลย <Okay. S 2> ใจไหลแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกยิ่งดี <Okay. S 2> นะดีกว่าใจไม่หลงไปเลยนะ <Okay. S 2> ถ้าใจหลงไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบบชาวโลกชาวโลกหลงไปเลยนักปฏิบัติเนะี่ยเพ่งเอาไว้อย่างเดียว <Okay. S 2> ไม่ให้หลงไปเลย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 สอนวนอยู่สองเรื่องนี่เองจิตกระจจิตก็คือตัวที่คิดนึกนั่นเองใจคือคนที่ไปรู้อย่างที่เมื่อกี้รู้สึกไหมมีจิตที่คิดอันหนึง่งจิตที่รู้อันหนึง่งสองอันนี้ไม่เหมือนกันจิตไปคิดเพื่อให้รู้ทันจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็รู้ทันจะเห็นอะไจิตเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้นะร้วนแต่ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดร้วนแต่ไม่เที่ยงหนูเล่นดูว่าเอ๊ะแล้วเรานี่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทําไมมัน รู้สึกหลายครั้งแล้วก็เดี๋ยวก็ลืมไปเดี๋ยวก็เออแล้วรู้สึกหน่อยรู้สึกบ่อยๆ <c oughs> นะยิ่งเผลอบ่อยยิ่งรู้สึกบ่อยนะไหลายแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ย <c oughs> เผลวันละพันครั้งก็รู้สึกได้วันละ999 <c oughs> ครั้ง <c oughs> ขอบคุณค่ะความรู้สึกตัวกั บ, กบความเผลอนี่นะเขียนสมการได้นะความเผลอเท่ากับความรู้สึกตัวบวกด้วยหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> จากตอนนั้นที่เคยรู้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี้ยค่ะหลังจากนั้นมันจะเริ่มอยากดีแล้วก็ควนหาได้เปิดกฎไว้เลยค่ะอึดอัดใช่ค่ะแล้วก็จะพยายามหาว่าทํำยังไงรู้สึกตัวยังไงให้เกิดสภาวะนั้นอีกทีเพราะว่าไห้รู้ทันว่าอยากรู้สึกตัวให้ถูกค่ะถ้ารู้สภาวะถูกต้องนั้นก็ตื่นเลยค่ะก็ถูกพอดีเป๊ะเลยเวลาเรารู้ตัวไม่เป็นนะพอเราเกิดความรู้สึกตัวแล้วเราจําได้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 ชอบที่จะถักไหมพรมอะค่ะแล้วก็ทำแล้วอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ถักเดี๋ยวก็คิบเดี๋ยวก็ถักเดี๋ยวก็คีบเอออย่างนั้นได้นี่ไงแม่ชีเนี่ยถักถักแล้วก็รู้สึกอยู่เรื่อยๆใช้ได้ไปถักไหมพรมมาพระบางองค์ท่านก็ถักไหมพรมเป็นเครื่องอยู่นะหลวงพ่อเคยเห็นท่านถักอะไรต่ออะไรถักไปเรื่อยแล้วถักแจกไปเรื่อยๆแต่ว่าท่านถักทําไมบอกท่านทำกรรมฐานนะอ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 ที่ทำอยู่ใช้ได้นะทั้งสองคนเลยที่เรารู้สึกว่าใจมันเดี๋ยวดุกดิกล่ะเดี๋ยวบางทีก็โล่งเย็นๆนี่เป็นอาการเป็นปกติปกติใช่เมเวลาเรามีสติขึ้นมานะใจเราก็โล่งขึ้นมาเยือกเย็นมีความสุขช่วยแผ่วๆขึ้นมาขึ้นมาอย่งมีความสุขเป็นระยะระยะทั้งวันมีความสุขขอบคุณครับ <c oughs> คือตอนนี้เขาฝึก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 นะวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆหัดดูแค่นี้ก็พอละต่างกันนะความรู้สึกจริงๆบัญญัตินี่เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นนะอย่างความรู้สึกโกรธเนี่ยอันหนึ่งนะชื่อที่เรียกขานว่านี่คือความโกรธนี่เป็นอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่ายุงกัดเราเนี่ยมันรู้สึกเจ็บใช่ยุงกัดมันรู้สึก ตรงความรู้สึกนั่นน่ะเป็นอารม ณ, ณ์ปรามัดตรงที่เราไปเรียกว่าอ๋อความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเจ็บอย่างนี้เรียกว่าบัญญัดหรือเวลาที่เรามองเห็นถามว่าตาเรามองเห็นอะไรตาเรามองเห็นแสงสะท้อนใช่ไหมพูดอย่างอาภิธรรมก็คือตาเรามองเห็นสีคือแสงสะท้อนจากวัตถุนั่นเองแต่ว่าเราไม่เข้าใจตัวปรมัดเราไม่เห็นว่าที่เราเห็นคือสีนะเราเห็นว่าที่เรามองเห็นเป็นคน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 มีพระสูตรมหายาน น, นหนึชื่อมหายานไวยปุญญาธารณีสูตรชื่อยาวเฟื้อยเลยนะมหายานไวยปุญญาธารณีสูตรพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระธรรมมาพระธรรมมาเนี่ยมีความเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดศีล ส, สมาธิปัญญาไม่สำคัญบารมีหกประการของของมหายานมีบารมีหนะของเราบารมีสิ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 ถ้าเข้าถึงสุญญาตาแล้วก็คือสําเร็จล้ mm. นี่เป็นความเห็นผิดนะนี่ในพระสูตรมหายานสอนไวน้นี่ั้นไม่ใช่มหายานสอนให้ทุกคนทําสุญญาตานะ mm. เ้าสอนให้สร้างบารมีต่างหาก mm. สร้างบารมีเต็มเปี่ยมแนละ้ววันหนึ่งปัญญาเต็มเปี่ยมแก่รอบขึ้นมาก็จะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากความมีคนมีสัตวนะ์ไม่มีคนมีสัตว์นะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลส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 ส่วนใหญ่ชอบทำสมธาธิให้เคลิมเคลิมนะรู้สึกเคลิมได้ที่เรียกว่าสงบนะเรียกว่าสลบต่างหากล่ะนะไม่ใช่สงบนะโดยเฉพาะพวกที่ชอบเข้าวัดนะข้ามามก็เปิดเทปฟังไปนั่งสมาธิกันนะนั่งนะสมัยหนึ่งหลวงพ่อยังอยู่กับหลวงปู่เทศหินหมักเป้งสมัยที่หลวงปู่เทศอยู่นะคนแน่นเลย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 ทำใจให้สบายก่อนหายใจออกไปก่อนอย่าหายใจเข้าก่อนนะถ้าใครเล่นอนาปานสติต้องหายใจออกก่อนหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายหายใจเข้าจิตจะตึงเครียดนะหายใจออกให้สบายไปแล้วก็ค่อยๆรู้ไปนะมีสติอย่าให้เผลออย่าให้ลืมตัวให้รู้อยู่ที่นในอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจไปเรื่อยๆ ร, รู้ไปใจมันจะสว่างขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาความสว่างนะั้นะมาเป็นนิมิตนะนิมิตความสว่างเนี่ย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 มันจะเป็นการฝึกซ้อมที่จะดูสภาวะสติจะเกิดในชีวิตประจําวันได้เยอะจะแตกหักกันก็ในชีวิตประจําวันนี่แหละอ้าวนายณิชก็ตอนนี้ก็พยายามดูอยู่นะคะคือคือเห็นอยู่ว่าจิตมันทํางานทั้งวันทั้งคืนด้วยอไม่ใจมันซึมค่ะ <c oughs> จิตเป็นเสื่องซึมก็รู้ว่าซึมนะค่ะ <c oughs> มันมันห้ามไม่ได้น ะ, ะมมนเป็นของมันเอง <c oughs> เห็นไหมหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามนะบอกว่าให้รู้ว่ามันซึมไม่ได้บอกว่าห้ามซึมนะ <c oughs> ไม่ยอมพลาดนะ <c oughs> ลูกศิษย์วันนี้นะพูดอะไรผิดไม่ได้นะ <c oughs> เอาไปอ้างสอนพวกคนเมืองเนี่ยต้องระวังมากเลยเจ้าเล่ห์แสนกลนีที่มาหลอกถามจะเอาคำตอบเราไปตีกับคนก็มีนะธรรมะเนี่ยเวลาอ้างทีละประโยคนะ้นมันทะเลาะ ก, กันได้ อ้างพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันนี่แหละอ้างควรละวักนะก็นั่งเถียงกันได้นะเคยได้ข่าวในเน็ตเนยะทะเลาะ ก, กันแต่ละคนก็อ้างหลวงพ่อประโม้นะก็มันทะเลาะ ก, กันได้รู้สึกไปใจยังซึมค่ะเนี่ยรู้สึกไหมาบางคับแล้ว พูดไม่ออกเลยบางที่มันทําอะไรไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่าบางครั้งมันเผลอนานนี่ก็เลยใช้เคลื่อนรู้สึกไหมนี่ต้องพูดน้อยๆค่ะเวลาพูดแล้วจะเผลอเร็วเผลอแรงจะอินน่ะเพะฉะนั้นคลุกคลีน้อยหน่อยทำงานไปดูใจไปทํางานบ้านก็ได้นะอยู่ห้องสมุดเช็ดกวาดไปด้วยก็ได้แล้วก็ดูใจของเรา เนี่ยขมไว้ละรู้สึกไหมอย่าไปขมมันอ้าวให้พูดเดี่ยกรุ้มใจตายคือคือบางทีมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยใช้พูดโทรมีช่วงที่ไม่สบายอะค่ะเราเห็นเลยว่ายินละแบบรู้สึกไหม <c oughs> รู้ก่อนรู้แล้วค่อยพูดอ่าพูดได้คือตอนนั้นไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นคือถ้าหลับตาก็จะเห็นสัตว์แย่เลยค่ะ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 ไม่ได้พุโทโธเพื่อบังคับใจค่ะ <Okay. S 1> พุโทโธเองเป็นแค่เหยื่อตกปลาใจของเราคือปลาพุโทโธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรานั่ยแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราพุโทโธแล้วเราจะคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันพุทโธพุทโธจิตสงบก็รู้ทันพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธกํากับไว้งั้นค่ะ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 อย่างไยคนจะเดินจงกรมนะพอเดินไปถึงหัวทางจงกรมเริ่มวางฟอร์มนะพ่อต้องเตะท่าก่อนวางฟอร์มทางร่างกายแล้วก็ต้องดัดแปลงทางใจก่อนเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะเดินไปด้วยอย่างเงี้ยใจนิ่งๆเงี้ยนะมันได้แค่นั้นอะ่ะที่จริงแล้วการปฏิบัตินะัยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับไม่ใช่บังคับเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัว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 การที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเนะะี่ยค่ะเบื้องต้นต้องตั้งใจไปก่อนเบื้องต้นต้องตั้งใจนะ mm hmm. แล้วก็หัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวะได้มากรู้สภาวะได้แม่นสติเกิดโดยไม่ตั้งใจแล้วท่านี้เนะงี่ทุกคนเบื้องต้นก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะต้องทำสมาธิต้องเดินจงกรมนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปจิตใจเราแสสายไปเรารู้ทันจิตสงบรู้ทันนะ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 แมันจะเกิดเองแล้วตรงนี้เพราะงั้นเบื้องต้นก็ต้องซ้อมมาคี่ใบก่อนมีรูปแบบนะทิ้งไม่ได้นะเรื่องสมาธิเรื่องอะไรออาเบอร์สามสิบสามก็พอรู้สึกตัวก็จะติดเหมือนกับเพง้งเลยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อพอรู้ปุ๊บ ก, ก็จะความรู้สึกไหมซึมน้อยกว่าเมื่อกี้อะให้รู้ลงไปความเปลี่ยนแปลง น, นะ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 เช่นคําว่าพยายามถ้าใครหลุดคําว่าพยายามออกมาจะรีบเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ยอุสาหซ้อมไวแล้วนะยังหลงลอกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้ทุกเยอะอะค่ะเพราะเมื่อก่อนก็คิดว่าน่าจะทุกนะแต่ทำไมไม่เข้า่อกี้เางี้ก็แล้วกันใจมันซึมเกินไปแบบนี้ยค่ะดูออกไหมรู้ค่ะเอรู้ไปงั้นแหละเห็นเหมือนเห็นป้อมมันซึมไม่ใช่เห็นเราซึมนะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นซึม อย่าจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติเยอะไปเวลารู้แล้วจะติดจงใจแนละ้วตอนนี้รู้แล้วลดความจงใจลงค่ ะ, ะส่งการบ้านไม่เป็นหลวพ่อเลยส่งให้คุณวิยาดาอะเอ่อตอนนี้พอลอยแล้วก็จมค่ะแล้วก็เห็นว่าเจตนาที่เห็นเจตนาชัดๆที่จะเข้าไปยุ่งโอ้ดีะดีแล้ะเพราะว่ารู้สึกแล้วก็เ อ, อ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 ค, คลื่นภายนอกนะคนมันส่งตลอดเวลานะผีก็ส่งนะหมูหมากาไกา่มันก็ส่งคลื่นตลอดเป็นแหล่งปล่อยพลังงานทั้งนั้นเราปล่อยออกมาแล้วเราปิดจับเข้าเราปล่อยไม่เป็นนะลําบากจแต่ยังยังเห็นตัวห่วงอ่ะนะคะอพอเห็นทุกเห็นที่สิ่งคลื่นที่ส่งมามันเป็นทุกข์เนี่ยมันจะแวบเข้าไปดูแวบเข้าไปดูเนี่ยนะคะแต่เมื่อกี้เห็นตัว ตัวลอยที่ว่าเวลาหลกงงใจไปดูในกระจกเนี่ยคือตัวลอยเป็นแบบลอยใช่ไหมจ๊ะตอนนี้มีอะไรที่ต้องไม่ต้อ ง, องทําอย่า ง, <อ>งที่องไม่มาหรือององอยู่กรุงเทพจ้ะค่ะเมื่อเมื่อห้าวันที่แล้วเนี่ยเอาลูกมาพักฟื้นที่นี่ก็เห็นคลื่นที่เข้าไปแทรกแซงป ร, ป, รประคับประครองกายเขาดูแลเขานะจ๊ะค่ะแล้วก็ เหมือนกับเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยลูกก็เหมือนลบรอยคลื่นที่ที่ไปเคลื่อนที่ไปเมาเขาเนี่ยหายแล้วพออยู่คนเดียวลูกก็รู้สึกเหมือนตัวกําลังลบไปรอยพวกนั้นออกได้นะเจ้าค่ะได้ได้อย่าไปเอาไว้ก็แล้วกันถ้า <c oughs> ช่วยส่งต่อโยมคนไหนไม่รับนะก็ะช่วยส่งไปกราบนะมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ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 เป็นผลหลังจากที่จิตไปทํางานแล้วทํากรรมแล้วเช่นเวลาเราใจลอยไปพอเรารู้ว่าใจลอยแล้วเราไปดึงคืนมานะมันจะมาหนักที่นี่นหรือเวลาเราไปโกรธใครมานะพอเลิกโกรธไปแล้วนะไอ้นี่ยังหนักไปอีกพักต้องรับวิบากรับผลของมันแก้ไม่ได้ตัวนี้ก็คืออั น, นอันนี้ก็คือหนูก็รู้ในปัจจุบันที่หนูรู้ได้แค่นั้นแต่จริงๆก็คือควรจะรู้ตั้งแต่ว่ามันตอนโกรธ รู้เท่าที่รู้ได้มันไม่มีคําว่าควรนะไม่มีคําว่าต้องมันรู้ได้แค่นี้มันก็แค่นี้แหละถ้าเราจงใจพยายามจะรู้ให้ละเอียดเราจะเครียดถ้าเราเครียดนะั้นเราภาวนามไม่ได้ลนะให้รู้ไปอย่างสบายๆอย่างใจสงสยัยทราบไหมสงสัยแวบขึ้นมารู้ว่าสงสยัยแล้วก็จะมีสงสัยอยู่นะบ่อยๆแล้วก็รู้ทันความสงสยัยอย่าไปคิดหาคําตอบให้มัน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 เพราะฉะั้นมันจะกลัวมากเลยที่เราจะย้อนมาเห็นจิตเห็นใจตัวเองเดี๋ยววันหนึ่งมันเราจะไปเจอว่ารังโจรอยู่ในใจเรานี่เองเพราะฉะนั้นมันจะผลิตกิเลสตัวเล็กตัวน้อยออกมาหลอกล่อเรานะคล้ายๆเราจะเข้าบ้านเราอยู่แล้วเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วหัวหน้าโจรยังอยู่ในบ้านนะมันกลัวเราเข้าบ้านนะมันก็ให้ลูกน้องวิ่งออกมาคนนึงวิ่งหนีไปเราก็โมววิ่งตามไปนะทั้งนี้คนของเกลี้ยงเลยเนะนี่ยกิเลสมันจะใช้วิธีเดียวกันนี้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 ลืมรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่กิเลส ท, ทั้งหมดเลยจะให้เราลืมตัวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลมันนะกิเลสเกิดขึ้นมาดูลงไปกิเลสเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราเป็นแค่คนดูไม่ห้ามมันนะไม่ได้ต่อต้านกิเลสแต่ก็ไม่หลงตามมันไปไม่ต่อต้านมันไม่วิ่งตามมันไปนะแอบไปคิดแล้วทราบไหมค่ะคิดอยากจะถามค่ะให้รู้ทันความอยาก ดูซิความอยากเที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างนี้ควาามอยกเห็นไหมเกดไม่ได้เห็นไหมเป็นอยากพูดดูออกไหมมันมีแรงดันแน่นๆขึ้นมาในหน้าอกดูออกไหมนัน่นแหลให้รู้ทันมันแต่ละคนนะัไม่มีสารภาพแต่ละคนตกเป็นทาตของความอยากของตัญหาตัญหาสั่งให้พูดต้องพูดนะไม่พูดแล้วอึอดอัดลงโทษเลยถ้าได้พูดแล้วสบายใจนี่มันให้คุณเป็นเจ้านายที่รู้จักให้คุณให้โทษเรา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 จะไปสังเกตมันนะให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันอย่างนี้แหละเรียกว่าดูจิตหละคือรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองนั่นเองเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจไปเลยเอาให้พูดได้ขอบคุณค่ะหนูเอาปฏิบัตินะคะหนูฝึกมาทางสายหลวงพ่อเทียนนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะดูตามความเคลื่อนไหวจะแบบอยาอ่าตใผ <จ S 2> ิดนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้ให้ดูความเคลื่อนไหวหรอก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 หลวงพ่อคำเขียนบอกวนะ่าเดี๋ยวนี้ดีนะไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องเจริญสติเลยไม่ใช่แม่มดีว่าไม่มีคนสอนนะบอกว่าดีว่าหลวงพ่อสอนบางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนสอนเรื่องเจริญสติมีแต่สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องเพ่งเอาขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือต้องรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งเอาเนี่ยขยับนิ้วรู้สึกไหมใจทือๆ <c oughs> เห็นไหมตรงเนี้ยผิดขยับนิ้วใจทือๆไปขยับมือใจก็ทื่ทอๆ อ, อ, อีกแหละ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 แล้วค่อยมาส่งกันบ้านอะส่งตอบไปกราบนักมรสการหลวงพ่อค่ะหนูก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอะค่ะก็กำลังพยายามหัดรู้หัดดูบนึนะสงสัยอีกแล้วรู้ไหมว่าไปว่าไปก็พยายามเรียนรู้ที่จะดูกายดูจิตอยู่ค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ยังสงสัยและไม่แน่ใจว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าถ้าเวลาไม่แน่ใจนะให้รู้ว่ากาลังไม่แน่ใจอยู่ ให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้ลูกเดียวเลย<ม>เราจะเห็นได้ความรู้สึกทุกชนิดผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยดูเพื่อแค่นี้เองคือเวลาเผลอฮะพอรู้สึกตัวว่าเผลอปุ๊บก็เราจะดูอะไรต่อก็บางทีใช่ไหมให้รู้ว่ากําลังสงสัยว่าจะดูอะไรต่อไง<ม>นะรู้ลงปัจจุบันไป<ม>รู้สึกไหมตอนเนี้เราบังคับตัวเองอยู่ พยายามยายามันกลับให้รู้เลิกสะ<ร>เลิกนะบังคับซะทำตัวตามสบายทำรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายนะจิตที่ผ่อนคลายดีนะจิตที่เครียดเครียดเป็นอากูสุลจิตได้อีกคนนึงนะอันนมัสการหลวงพ่อคะ่ะก็สังเกตดูว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปเหมือนคลื่นนะคะแต่ว่าบางครั้งก็เกิด ความรู้สึกลำคาญขึ้นมาว่าเกิดดับอยู่ได้ค่ะแล้วบางครั้งค่ะลำคาญแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นคือลืมไปเลยพอรู้สึกอีกครั้งมันก็ขึ้นมาเหมือนคลื่นที่มีความถี่สูงแต่ว่าถี่ค่ะไม่ทราบว่าดีแล้วดีแล้วภาวนาดีนะดูไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันไป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 จิตใจเราก็ฉลาดรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะเราก็ไม่ทุรนทุรายจิตใจมีความสงบสุขแค่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตใจก็สงบสุขขึ้นเยอะแล้วแล้วภาวนามากข้าวมากข้าวถึงจุดที่เขาปล่อยวางยิ่งมีความสุขเยอะใหญ่วันนี้ได้แค่นี้นะได้แค่นี้เชิญยมกลับบ้านไปยวขอหลวงพ่อคุยกับพระยนะ